วันนี้เป็นวันแรกของเดือนมกราคมพศ2534วันนี้ก็จะขอแนะนำในการเจริญกรมกรมฐานกรรมาัญญาเต็มพุตับริษัทแต่ว่าก่อนที่จะลงมาขึ้นไปถามพระเราบอกว่าให้แนะนามนาปานุสติกับกายยกตาโนสติกถราหาว่าใครทำทั้งสองข้อนี้ได้แล้วอย่างน้อยที่สุดเป็นพระอนาคามี ถ้าสิ่งนี้สิก็เป็นพาาระอรหันแต่ค่อยๆทํากันนะอย่าเป็นเร็วนักใช่ไหมหรือว่ า, า, าไอ้ที่แนะนามาหมายความค่อยๆทาไปค่อยๆคิดไปเรื่อยๆไปวันณาิตรราย์วนหน่อยเป็นปกติให้จิตเป็นชินคําว่าชินก็คือฌานฌานก็คือชินถ้าลมมันจะชินจริงๆเถ้าเวลารายตายถ้จิตคิดตามนั้นไปอรหันตทันที ก็จตายนะอาณาปานรุสติก็คือการกําหนดรู้ลมหายใจเขาออกเพระนี่เป็นกรรมฐานใหญ่เพราะบรรดาจเจ้าพุทธบริษัททุกคนอย่าทิ้งการนี้ทํากรรมฐานให้มีการทรงตัวก็ส้อาศัยอาณาปานรุสติกกรรมฐานที่ทรงตัวได้นานหรือไมนานอยู่ที่ลมหายใจเขาออกถ้าการฝึกให้การมีการทรงตัว ถ้าสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่สามารถจะทรงสมาธิได้นาน mm hmm. ก็ใช้การทรงตัวได้หนาปากลติก็รมณ์ลืม ล, ล ใ, ใจเขาออกนับหนึ่งถึงสิบหายใจเข้า ใ, ใจออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้ายใจออกนับเป็นสองยี่สิบถึงสิบถ้าถามว่าถ้านับแบบนี้ทําแบบนี้จะมีอะไรสงไหมก็ต้องตอบว่ามีอะไรสงเพราะอะไร พอจิตไปยุ่งกับลมหายใจเขาออกกับการนับเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสว่างไหมลงุงว่างนะไม่คิดถึงอะไรบัดจีไความรักก็ไม่นึกถึงความโกรธก็ไม่นึกถึงความร่ำรวยก็ไม่นึกถึงมันนึกถึงเฉพาะลมหายใจเขาออกกับการนับเสียจะไม่ดีนะหีหาว่าไอ้ไม่เห็นว่าพุทโธเลยนี่แต่กามจริงผ้าการนับแบบนี้ถ้านับหนึ่งทีสิบ ก็จึงจะคิดว่าน้อยเกินไปในในขนาดเบื้องต้นบางทีเราการนับหนึ่งถึงสิบเราอาจวันนี้เราอาจจะทําได้แต่วันเริ่มขึ้นดูหนึ่งถึงสามไปแล้วเรืองอื่นเข้ามาแทรกถ้ามีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกก็เริ่มต้นใหม่ขึ้นต้นหนึ่งใหม่ถ้ายังไม่ถึงสิบเพียงใดเราจะไม่ยอมเลิกถ้านับหนึ่งถึงสิบจิตยังสบายอยู่ต่อได้ ถ้านับหนึ่งถึงสิจิตเคีย right ่อนให้เลยเสียทำอย่างนี้จริงๆประมาณสักเดือนสิบเศษนับหนึ่งถึงสามรอเนือไม่ไปไหนเลยมันแสดงว่าจิตทรงสมาธิดนานปม่พีทรงสมาธินะนี่อนาปานกสติยลงมาฐานกำจัดอะไรกำจัดมีวรตัวที่สี่คือความผู้สร้างของจิต นิวรณ์ตัวที่สีน่นี่มีความสำทันภาก ค, คือลมพุงสัน้นเราคิดว่าเร า, าจะภาวนาก็ดีพิ่เจรณาเราตามได้อยาอื่นมาเข้ามาแทรกอย่างนี้กรือวเขาเขาก็เรียกว่านิวรณ์นะแล้เมื่อมาเข้ามาแทรกม่คิดเราเรือ่องเราทางไปถามว่าเราฝึกการทรงตัวแบบนี้การเจรณาก็ตามภาวนาก็ตามจะมีการทรงตัวตามเดิม เอางี้เลยการทุกคนกลับไปถึงบ้านก็นับหนึ่งถึงสิบไว้หนึ่งถึงสิบครั้งแรกเราทาได้ขึ้นต้นใหม่หนึ่งถึงสิบครั้งที่สองทำได้ไหมถ้าหนึ่งข้างหลังครั้งที่หลังหนึ่งถึงสิบไม่ไหวจิตพุ่งสั้นถ้าติตพุ่งสัง้นให้เลิกเสียอย า, อากืนเฮียลาปานนิติกรรมฐานก็มีคุณใหญ่อย่างหนึ่งเทวษาม่ายกำหนดการเข้าฌานออกฌานได้ นี่เป็นกำลังใหญ่มากถ้าเราคิดว่าเวลานี้เราจะเข้าฌานจะเข้าฌานจะกี่นาที้ดูนาฬิกาก็ได้จากเส็มนาฬิกาผยาวถึงขั้นตรงนี้เวลาก็จะเข้าฌานเข็มยาวถึั้นตอนน้อนใด้เข็มช้นถึงขั้นตอนนี้เราจะออกจากฌานถ้าถึงเวลานั้นมันจะออกทันทีหรูปตาดิงตาจะตโตไม่ไม่ไม่คลาด นี่เป็นประโยชน์ในการทรงชานในการเข้าชานออกชานนอกจากนั้นนาปารมุสติยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเ้าคิดว่ารู้เวลาตายไม่คคยดีนะดีไหมไอชาตเดียวอันพรุ่งนี้ะตายนะยอมไหมนับไปไม่ถึงนะันพรุ่งนี้มันจะถึงยังไงนะ อารู้เวลาตายจริงๆไหมที่พระที่เลก็คารวะที่ท่านทราบการตายของท่านคือถึงข้องในนาปานสติข้อใดไหมเพราะขาขณะที่ยังป่วยอยู่ถ้าจิตจับอนาปาโนสติอยู่ถ้าเวลาป่วยนี่อาสมาธิมันจะรวมตัวมันจะรวมตัวก็มันเองบุญต่างๆที่ทําทั้งหมดถ้าจับอนาปาโนสติได้บุญทุกอย่างจะรวมตัวหมด เวลาด้านจิตรวมตัวจริงๆอารมณ์จะเป็นทิศถ่าจะตายควาเมเป็นทิศจะเกิดเวลานั้นจะเห็นเทวดาบ้าง<ม>หเห็นพรหมบ้างเห็นพระออริยเจ้าบ้างอันนี้ก็บอกเวลาตายได้ท่านนี้พ่ออะไรก็ขบวนเขาบอกถ้าบอกว่าจะไปเมื่อวันไหนเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมท่านนี้ถามว่าสมมติว่าเรายังไม่ได้ฌานสมาบัติไม่ถึงมรรคมิานเวลานั้านจิตไม่ถึงมรรคมิานนะ คือขั้นอุปจารสมาธิอย่างนี้เรามีสิทธิ์จะไปสวรรค์ได้ทุกชั้นก็จะมีเทวดามีนางฟ้านํารถทริพมารับต่างคนก็ต่างชวนอยู่ชั้นนั้นเถอะอีชั้นนี้เถอะดีจตอนนี้นะแหละเราก็มองไปจิ ต, ตนนนะก็ไปยุ่งกับเทวดากับนางฟ้าจี่ก็เลยไม่สนใจกับร่างกายจะเห็นว่าคนป่วยใกล้จะตายถ้าจะไปสวรรค์ จะมีตอนรแรกๆจะมีการผู้รุนแรยนะพอใกล้จะตายจริงอารมณสงบมีจิตสงบพอสบา ย, ยไปพักหนึ่งแล้วก็ตายพวกไม่ไปสวรรค์หมดก็ยยกอตอนนั้นไหนเห็นเทวดาเห็นางฟ้าเข้ามารักโครงกามว่าอนาปานสิกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่พวกคุมกรรมฐานที่อีอสากองกร ร, กรมฐานาจริงๆมีสี่สกอง อีกสาเก้ากองจะตั้งต้นได้ต้องอาศัยอานาปานุติเป็นพื้นฐานเนี่ยทุกกองซึ่ใช้ทำเขาต้องใช้อาร์ ใ, ให้ลมหายใจเขาออกก็พูดอย่างที่เราใช้พุทธาูติคือภาวนาเราพุทธโผล่เราก็ต้องใช้ใหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกไม่หมดโผล่เมื่อได้ใช้ อ, อ, าอานาปาลุติเป็นพวบพูดเป็นเป็นพื้นฐานอันนี้เมื่อเราฝึกอานาปานุติได้พอสมควร ในขนาดเดียวกันเมื่อกี้นี้ถามพระท่านก่อนจะลงมาข้าไปช่วยเหลือท่าไรรู้ไหมท่านก็ไม่รูท่าไรลืมถามซื่อท่านตอนเรื่องนี่ไชาดหมือนเขียนด่างหน่อยหาพบกบวยเจ้าได้เปนยาวไอ้ถามท่านบอกว่าวันนี้แนะนำอนาปานุสติกับกา ย, ยนาต า, าใ น, ในุสติในเมื่อเราฝึกลมให้ใจเขาออกได้ตามสมควร เราก็พิจารณาร่างกายว่าร่างกายของเราส่วนไหนมันดีบ okay, yeah, so ้างการทำประโยชน์ดำนิ่ร no ่างกายส่วนไหนมีสภาพทรงตัวบ้างกายกามตาลุติกให้ดูแบบนั้นอย่างผมเนี่ยทรงตัวไหมเห็นไหมดูผมนี่เหมือนกันมาหลยบางคนก็ทรงปักจริงบ้างบางคนก็ไม่รู้ทรงอะไรอย่างฟ้าได้ทรงเกลี้ยง ก็เป็นอันว่าผมเนี่ยถ้าเราไม่สาไม่สางไม่มีไม่หวีไม่ชําระศาสางมันก็เหม็นสาบถ้าปล่อยไว้มันก็ยาวถ้าแยเป็นไปตามความต้องการก็ต้องตัดต้องแต่งต้องเติมต้องทำอย่างเสมอกลงความว่าผมพวกเราก็เป็นเป็นทุกข์เรามีผมก็เราก็ทุกข์เพราะผมไอ้คำว่าทุกข์นี่เป็นนิัพานาญาณนะให้ควบคู่กันไป เรามีผมเราก็ทุกข์เพราะผมเพราะอะไรเพราะว่าผมยาวเกินไปใช่ไม่ได้ถึงทุกข์ต้องไปตัดใช่ไหมเวลาไปตัดผมเสียเสียตังเปล่าเสียตังตังได้มาเพราะความสุขคือความทุกข์วัได้มาตั้งเดือนถูกด่าบ้างถูกว่าบ้างถูกเป็นทาบ้างใช่ไหมถูกก็ชมบ้างถูกก็ติบ้างตั้งเดือนยังได้ตังมา ได้มาด้วยความทุกข์ด้วยความเหนื่อยยากในการทำถ้าต่อมาก็บนรรลุหนังหนังของคนสวยตรงไหนสวยหรือไม่สวยไม่มีความสําคัญมีความงำคัญว่ามันมีการทรงตัวไหมกายตาอินปิเออร์คิดอย่างนี้นะหนังพองเราก็ไม่มีการทรงตัวหนังเด็กกับหนังนมสาวไม่เหมือนกันเห็นไหมเปล่งาลั่งกัน หนังหนุ่มหนังสาวกับหนังคนแก่ไม่เหมือนกันอีกหนังคนแก่ดีกว่าหนังหนุ่มหนังสาวเขาก็ย่นยูจี่ได้หนังหนุ่มหนสาวตึงเกินไปก็พบหน่อยเดียวขาดใชงไงแต่คนแก่ชอบคนแก่ยิ้มนะมเพราะเราดึงไปดึงมาไงก็ได้ไหมไอ้หนุ่มสาวดึงไม่ได้หรือขาดตึงไอ้คอยก็มาทานหรือขออะไรกันเนี่ย ก็ลงความว่าทั้งร่างกายพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีสภาพทรงตัวร่างกายทั้งร่างกายเรามีอยู่มันมีอยู่ก็ตามทุกในกรณีปัจจัยยานร่างกายทุกส่วนจะเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกก็ตามมันไม่มีการทรงตนหมดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสขึ้นตนอยู่เสมอตัวอย่างเมื่อกี้ถามท่านบอกว่าจะใช้ตัวอย่างอะไรถ้าพูดไปเฉยๆท่นานญาตโยมเมื่อเร็ว ก็ใช้นิทานเขาบอกดีไหมนิทานเขาต้องไม่ใช่เรื่องเก่าถามเท่ากับจะเรื่องอะไรดีซิมาดีหรือว่าดูบนัทัดดีฉันบอกดูบรรทัดเสะก็ขอพูดเรื่องดูบรรทัดนะดีไหมจาได้ไหมถ้าจำได้มาพูดแทนดีเสียงแห้ง เป็นว่าท่านอูปนันธาได้ถือตัวเป็นคนสวยแต่ความจริงเป็นน้องสาวพระพุทธเจ้าเองพี่ลูกนองอาคือเป็นน้องสาวตรงๆของพระเจ้าพระอนุรุตนะนี่คนสวยมากในตระกูลนั้นถือตัวว่าเป็นคนสวยเวลาที่พระเจ้าเสด็จไม่ยอมพบนาเขาทราบว่าพระเจ้าพี่ใหญ่สิรรูปร่างของคน เราดูร่างของคนไม่ดีแต่เราเป็นคนสวยเนี่ดีใน ด, ดีมติเราเขา้าใช่ไหมเพาไม่ชอบใจไม่ใช่กโกรธเพรว่าไม่อยากให้ฉิบแื่ไม่ยอมพบเราอเล่าลับต่อมาวันหนึ่งบรรดาวิสุนีทั้งหลายต่างต่างก็ได้ว่ า, า, ามีคนทั้งหลายก็คุกคยกันก็บอกว่าไปฟังเทศของพระพุทธเจา้าในไทยเลาะลึกเกินจับใจมาก พระพุทธเจ้าก็สวยในจักรพรรดสีรัสนิฮกประการะห่องกระปองใสสวยงามมากตอนนี้เธอเป็นคนสวยแล้วก็อยากจะพบความสวยก็ตัดสิ้นใจว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปฟังเทศทุกคนก็พากันดีใจไม่ขอเล่าลับๆนะรายละเอียดเวลาไม่พอคณะที่ไปก็แอบไม่ต้องการให้พระเจ้าเห็น ใครหลบพระพุทธเจ้าได้บังไม่มี อ, อยู่ที่ไหนก็รู้ใช่ัม้มอย่างพระมหากรสบอยู่ไกลไป60สโยชนิดพรฤาษีหาแต่ตอนเช้ามืดบันหนึ่งให้คิดว่าการตรวจองค์วันใสขัตว์ที่ยังรุกมักผลพระพุทธเจ้า ท, ทำเองเดียวลำบากมากเราจะช่วยพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจเข้าชายใช้ชั้นกปญญามาดูว่าวันนี้จะมีใครมีลมักผลบ้างจะไปสงเคราะ ก็ทำได้ความหนักอารมณ์ก็หนักพระเจ้าก็ทรงทราบเรียงับพระนางเสียแล้เียยวประการไปนั่งเฉพาะหน้าไม่อพระองค์นั่งขนาดของเันี้เป็นงาของพระสาวไม่ใช่งานของสาวกเงานพระเจ้าองค์เดียวเธอไม่ต้องทำรักสถาคุทำองค์เดียวพอแล้วทําทำจะทให้ไหวเห็นไหมไกลหกสิบโยชนิยอยางเห็นเลยพระบรร nam รูปนันทาไปนั่งในลุเมฆเนี่ย ก็มีคนมาฟังเทศแบบเนี้ยนั่งใช้ส่มแอบแคนพระเจ้ากษัริย์ทราบเมืนอเมื่อบรราลูบนันทาเข้าไปถสียอ่ไปนั่งอยู่พระเจ้ากษัตริย์นฤกษ์ผู้หญิงซึ่งสวยกว่าบรรดาลูบานันทายิงข้างข้างไปออกถ้าสังายงานพัดพัดให้บรรดาลูบานันทาก็แปลกใจว่าเขาเล่ามือยว่าพระที่เจ้าเกลียดคนสวยติคนสวย แต่ว่าผู้หญิงคนนี้มันสาวาานสนกว่าเรามันฝวกว่าเราทำไมไปยิน ง, งานส า, ายงานพัดได้ก็แสดงว่าการที่เขาเหือล้มเหลวไม่ใช่ของจริงใจจิตตกไปหน่อยนะใจะส่มสบายใจต่อม า, พ, อ า, าพราะเจ้าทรงเทศบารชีวิตของคนมีความเกิดในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงของธรรมดานจากเด็กก็เป็นวัยหนุ่มเป็นวัยสา ว, สาวจากวัยสาวก็เป็นวัยกลางคน พระพุทธเจ้าพูดแบบนี้หญิงคนนั้นจะแก่เลยแก่เปนน็นวัยสางคนนางรุมพนทางก็มองดูเอ๊ะเมื่อกี้มันสาวว่เราม่วาอย่ามาให้แก่กเราไปนหน่อยหนึ่งใช่ไหมอายุประมาณ30มสิบจานั้นไปลเลื่อนไปแก่ไปทีนนละหน่อยะหน่อยละหน่อยพระเจ้าก็เทศเือไปหญิงคนนแก่ตามแก่ตามไปใ น, นที่สุดแกอหลังง่อมใน้่สหลังที่ตรงๆก็โค้งออกมาใคนนั้นก็โค้งมาผมก็ขาวโพลใช่ หนังก็เหี่ยวเนื้ก็ยนนน่นพนาลูพันธะก็มองดูเอ๊มันแปลใจว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเมื่อกี้มันสวยกับเราสาวกับเราเวลานี้ก็แก่หงอมไปแล้วพระที่ศรัทธาบอกว่าหลังจากแก่แล้วไในสุสดก็ตายแต่น่งก่ล้มตื่นตายจะตายแล้วสองสามวันก็ขึ้นอื่นเน่าจะแน่แก่ก็เน่าเน่าตามมาวุ่นว่ามันเน่าแล้วก็ยึก เยื่อเยืหนังหายไปเนื้อหายไปเด็กจะกระดูกระนาลูวันทานั่งเจ้ามองดูมาคิดว่าที่องค์สมเด็จพระลงโกทรงเทศตอนเทศวันนี้ของพระพิดาเจ้าขเขาเปเจ้าพี่ใหญ่เป็นของจริงเราก็เคยเห็นเด็กที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเหมือนกันเวลานี้เราเป็นสาวทวีดามันดาพี่พี่ใหญ่พี่เล็กหรือพี่ปานาจะหลายที่แก่กว่าเราเขาก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเรามาก่อน นนเราก็จะมีสภาพแบบนั้นมาที่สุดเราก็ต้องตายแบบนี้เหมือ่กันมาที่สุดนางรูปันทาก็ตัดสิดใจคิดว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นในเบืนองตนคือความแก่เป็นท้องกราร ม, มีความตายใ น, นที่สุดเราจะหวังชีวิตนี้เพื่อประโยชน์อะไระในเนรื่องนางรูปันทาคิดแบบนี้แล้วองค์จะเป็จจอมใจก็ทรงคิดใจหนา ว, ว่าเวกานี้รูปนทาจิตอย่งไหนแล้ว ก็ทราบว่าเวลานี้รูบรรทายเมรุเข้าถึงพระโสดาบันคือยอมรับความตายนะพระโสดาบันนี้ไม่เมรุมากคือยอมรับว่าร่างกายในที่สุดท้างตายอย่างนียบเหมือนพระโสดาบันก็ทรงพิจารณาว่าถ้าเราจะทรงเข้ารูบรรทาให้ไปอรหันตในเวลานี้จะเป็นได้หรือไม่ก็ทรงทราบว่าเป็นได้และองค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงตัสว่าขึ้นเชื่อความตายเป็นของมีแต่บุคคลชั่วไป แต่ ว, ว่าถ้าตายเฉยๆแล้วจังใจกิเล็สไม่สิ้นไปจากกิเลสก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะก่อนจะตายถ้าจิตใจสมองก็ไปสู่ใบายภูมินารกเป็นต้นวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศให้เห็นภาพหมดนานรูปันท า, าก็ทราบว่าคนที่มีจิตสอมองมตายรูนรกเรกิดนรกพระเจ้ากบอกว่า ถ้าหากว่าคนใดที่มีจิตใจผ่องใสมีลมปีตินขนก่อนจะตายก็ไปสวรรค์แต่การไปสวรรค์ก็ดีไปพุมรรคก็ดีก็ยังไม่ถึงที่สุดของชีวิตแม้เมื่อสิ้นบุญบัตินามารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ให้สุขยาให้ดีจริงๆก็ต้องตายแล้วไปนิพพานนิพพานเป็นดินแดนที่มีความสุขที่สุด ไปถึงที่นั่นแล้วไม่มีการเปลี่ยนแสงนิพพานไปบรรดาบหรือดับจากกิเลสดับจากความทั่วทั้งหมดถ้ดับจากความทุกข์ทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอารมณ์หนักใจนิดหน่อยนิพพานไม่มีเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่านางรมนทาเป็นพระอรหันต์รวมความว่าบรรดาเป็นพุทธวิสัยการปฏิบัติพระกรรมฐานพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นพระอรหันต์ เฮ้การแปลลรอันถ้าตามข่าวเล่าเลยเดียงที่พูดกันเขาบอกมันจะเป็นยากเป็นยากเหลือเกินถ้าละอ่านหนังสือบางเล่มเนยบอกว่าแม้แต่เป็นพระโสดาบันก็เป็นยากเห็นไหมที่จะไปนิพพานก็มีอารมณ์หนักของมทำจะโน้นบ้างทางนี้บ้างในความจริงถ้าตามดีลายพระเจ้าแล้วไม่มีอะไรยากโดยเพราะอย่างยิ่งคราวว่าในใเปรียบพระ ถ้าถ้ามีชีวิตยอยู่ต้องสรงสิขาบทสองยยีสิบขาบทใช่มหมไอ้สิขาบทสองย่สิบเจ็ดสิขาบทเนี่ยมันไม่ใช่น่นาภาคภูมิใจอะมันเป็นโทษที่เพิงถูกปรับถ้าทาผิดท่านปรับเป็นโทษเคราะา์ว่าดนสิ่งที่เป็นโทษจริงๆมีห้าอย่างเคราะหวา ด, ดีกว่ามากและโดยเฉพาะ อ, อย่างายิ่งไทยจะถามว่าเคราะห์ว่าดีพระอรหันต์ได้ไหมก็ต้องตอบว่ได้ได้เยอะแล้ว ได้ตอนไหนคือได้ตอนนี้ก่อนจะตายวันไหนจะตายวันนั้นเป็นพระอรหันต์เขาเป็นอะไรยังไงการเป็นอรหันต์ก็มีเขามีข้อเดียวคือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในะร่างกายร่างกายไม่มีเราจิตใจเวลานั้นเป็นสังขารุติข้ายานมันวางเฉยการป่วยมีทุกขเวทนาจริงแต่ขึ้นเชี่วว่าการห่วงในทรัพย์ถิ่นไม่มีในเวลานั้น การห่วงคนที่อยู่ไม่มีในเวลานั้นคิดว่าแม้แต่ชีวิตของเราก็มันก็จะตายตจะมีอะไรเปที่ห่วงไม่มีคือความตายจะมีขึ้นก็ไม่หวัว่นวั่นคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาโคงร่างกายมันต้องตายจิตใจมันเป็นสุขทั้งขาวเสือข้ายายเสือที่มันจิตใจเป็นสุขนะควรจะเป็นนี่ก็มันต้องจางวางเป่งไม่ใช่หรอกอยู่ธรมธรมดาธรรมดาคุยแบบธรรมดาเนี่ย ใคไปใครมาก็คุยกันแต่จิตไม่เป็นไม่ตามเขาเขาพูดถึงความโลภความนั่งรวยจิตไม่น้องตามเขาก็คุยได้แต่จิตไม่เป็นตามไปไม่เป็นตามเขาแล้วไม่ไม่ยอมโลกตามเขาเขาพูดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ชั่วก็ยอมเรียกว่าก็ยอมคุยกับเขาได้ไม่ขัดคอกันแต่จิตไม่ไม่ไม่น้องไม่ตามเขาจิตมันบางเฉยก็ถือว่าเป็นกฎธรรมดาของคนและสัตว์ที่เกิดมาในเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น ก็มีความแปรปรวนในการมีการสลายตัวในที่สุดนี่เป็นของธรร ม, ามดาเวลานี้ร่างกายเขาเลยจะตายอะไรแล้วที่เราที่ที่เราจะห่วงเงินทองที่ม่อยู่เราตายเราใช้ได้ไหมมันก็ใช้ไม่ได้แล้ว ท, ทรัพย์สินตา่างในเมื่อเราใช้ไม่ได้ด้วาจารคุ้ขนนัตถิโลกเกอเนนิโตที่พระเจ้าสันตินว่าคนเกิดมาแล้วในโลกที่ไม่ถูกจินทาเลยไม่มี ถ้าใครคันินทาว่าร้ายอารมณ์ก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของค น, นงงแม้แต่พระพุทธเจ้าเองกัดมาแล้วในโล ก, ก, กเป็นดวงพระพุทธเจ้าที่สุดก็ยังถูกนินทาว่าร้ายคํานินทาก็ดีคำทันเสงก็ดีไม่มีความสําคัญสาหรับเราเราไม่มีความต้องการทั้งสองอย่างใจมันก็เฉยว่านี่ว่าทั้งสังขารเบิดขยานในเวลาจะตายนะ เวลาจะาตายจริงๆเอา ก, กันแล้วกันจะบอกวิธีให้ยาวไม่ต้องจทย์อกโจทก็ไม่ถูกเวลาจะตายจริงๆถ้าเราคิดตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปว่าเราจะต้องตายแล้เป็งของธรรมดาแต่ยัต้องแก้ไปทุกวันเป็นของธรรมดาร่างกายที่เกิดมามันต้องป่วยเป็นของธรรมดาความปรารถนาอาจจะไม่สมหวังหรือ บ, บ้างเป็นของธรรมดาถือเพื่อเรื่องธรรมดาค่อยๆถือไว้ มันก็ถือได้บ้างถือไม่ได้บ้างแต่ว่าถือบ่อยๆมันก็ได้อารมณ์ใ น, นที่สุดอารมณ์มันก็ชินแล้วพอเวลาจะตายเกียงทุกอย่างมันจะมีการทรงตัวเป็นธรรมดาไปหมดอีกตอนอารมณ์เข้าถึงถึงธรรมดาหมดแค่วันไหนเชื่อมันเปนวันไหนจะตายจริงๆวันนั้นเราจะเห็นทุกอย่างแล้วก่อนหน้าวันนั้นสักเจ็ดวันเราจะเห็นทุกอย่างนาอากาศขึ้นหนึ่งสวดาสองนางฟ้าสามพรหมี สี่พระริเจ้าห้าพระพุทธเจ้าจังหวัดขุุรเมื่อแรกเราก็สังเกตดูว่าใครอยู่หน้าถ้าเทวดากับนางฟ้าอยู่ข้างหน้าพมอยู่ถัดไปอาลัมถัดไปใช่ไหมอย่างนี้วันนั้นตายแล้วเป็นเทวดาแล้วเป็นนางฟ้าถ้าพรมอยู่ข้างหน้าเราตายแล้วเราเป็นหมถ้าพระรหันอยู่ข้างหน้าพระเจ้าอยู่ข้างหน้าจะนั่งไปนิพพานเห็นทุกคนนะ คนจะตายเนี่ยเห็นทุกคนแต่ว่าจะถามได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองบางคนปากมันใช้ไม่ได้ยังพูดไม่ได้ใช่ไหมถ้าปากเขายังพูดได้สติยังมีอยู่ถามเขาจะ บ, บอกได้ทุกคนอาจามาเคยถามถามเพื่อนคนหนึ่งเธ อ, อบทพร้อมกันแต่ก็สืบไปก่อนนะเวลานม่งเขาไปทํางานที่โนโนที่พระเจูรณญสมยัยสงครามโลกครั้ี่สองก็ไปใข่ป่ากลับมาและเป็นมรรณโรค อาตมาก็ไปเทศแท้เขากลับมาก็บอกเพื่อนคนนี้ป่วยหนักบ้านอยู่ใกล้วัดเลยพาพระไปเยี่ยมพาพระไปห้าองค์ถ้าไปเยี่ยมไปนั่งขาเขาชื่อจวนทำให้จวนจําฉันได้ไหมเขาบอกจําได้ครับเสียงเบาทันทีถามว่าเวลานี้เห็นอะไรจะบอกเห็นกองไฟสบายแจ้วถ้าเห็นกองไฟนี่สบายมากพะยายมไม่หนักใจรูนรกทันที เคยถามเรียเขาเถามีสตัางไหมเอลัตตบอมีบอกขอขอเขยี่สิบบาทได้ไหมเขาบอกได้เขาจะหยิบมาให้ก็เลยสตังใส่มือบอกวนเป็นยีสบาทที่ชําระหนี้สงนะเราเคยนํำของสงจากวัดที่มีพระก็ดีที่ไม่มีพระก็ดีที่เป็นวัดร้างแล้วมีสภาพไป่เป็นไรก็ตามไปสถานที่ของสงเก่าถือว่าเป็นของสงขอชาระหนี้เป็นเงินยีสบาทนี้เขากขอรับ เลยถามพระว่าเห็นทุกคนไหมพระองค์ไหนเห็นทุกคนก็สาทุขึ้นพรก็ว่าตามกันสาธุนะห้าองค์ครบองค์สงฆมาดีใช่ไหมก็เลยถามใหม่ทํำไมชวนเวลานี้เห็นอะไรมีไฟไหมบอกไฟหายไปแล้วครับเห็นอะไรเห็นตัวพระเจ้าพอจะเห็นพระเจ้าภาวนาพุทโธเจ้าภาวาพุทโธพุทโธพุทโธโเดียวๆไปหายไปเลยเป็นน้ำว่าคนจะตายได้เห็นทุกคน เพว่าถ้าปากยังพูดถ้าปากพูดไม่ได้แล้วก็ถามไม่ได้แต่ที่เป็นสิ่งที่หน้าสังเกตสังเกตว่าก่อนที่จะตายจะมีการพู ด, พดรุนแรงปวดน่นเจ็บนี้ถ้าเวลาจะตายจริงก่อนหน้าจะตายเขาสินาทีหรือยี่สินาทีจะสงบนิ่งถ้าสงบนิ่งคล้ายกับว่าอาการอย่างอื่นไม่มีอย่างเนี้เป็นสวรรค์ทุกคนเพราะเวลานั้นเห็นยอดใดเห็นผมแล้วนะไม่จะไปนิพายนี่ยังไงเวลาจะหมดแล้วก็กไปได้นะ ก็เป็นคว่าให้ตัดสินใจว่าถ้าขณะใดที่ป่วยอยู่ถ้าเริ่มป่วยหรือยังไม่ป่วยก็ตามทีเอาป่วยก็อะไรกันถ้าป่วยอยู่ก็คิดว่าป่วยคราวนี้แม้จะน้อยหรืมากก็ตามมันอาจจะตายหรือตายก็ได้ถ้าเราตายคราวนี้ขอไปนิพพานจุดเดียวแล้วก็ใช้คำภาวนาภาวนาว่านิพพานสุขขังเมใบใจนี่มื่อถึงพระพุทธเจ้า เห็นภาพแล้วไม่เห็นภาพก็ตามใจถ้าพู้ใดมโนอยู่ที่นี่สบายมากถ้าผู้ใดมโนที่ที่แล้วก็เข้าอารมณ์จับอารมณ์จับพระเจ้าบีเกนเอาจิตไปวางไว้ที่นิพพานเลยเอาจิตไปตั้งจิตไปตั้งไว้ที่นั่นถ้าไปไม่ได้ใครเห็นนิพพานตาไม่เคยเองคิดว่าถ้าชีวิตแล้วร่างกายเราตายเราจะมาตรงนี้ ถ้าตายแล้วมันอยู่ตรงนั้นทันทีมันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคนนี้ไม่ได้ไม่ได้มโนยิธ่ก็จะคิดจะตัดสินใจว่าถ้าตายเวลานี้ขอไปนิพพานจุดเดียวแต่ลึกภาวนานในใจวันนิพพานนั้นสุขแข็แต่บางทีทุกขเวทนามันมีมากภาวนาไม่ไหวก็ไม่เป็นไรให้ตั้งใจคิดว่าถ้าเราตายเราขอบรรพันจับรูปพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งเขาไว้เมื่อเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่นิพพานที่ที่ไหนว่ตามเราจะขอไปในิพานที่นั่น เบอร์ท่านี้ถ้าตายก็ปฏิพานธ์ทันทีเวลานั้คนจะไปจะปฏิพันธ์ต้อเบรหลานก่อนนะคือคำว่าเบรหลายนก่อนหมายความเวลาหน้าจิตถึงว่าร่างกายทุกเรงทั้งสุกส่วนร่างกายมันไม่ดีหมดคือกายแบริหลายนี่นิดเดียวคือสังขารุกิจกายหยาดร่างกายมันไม่ดีร่างกายเป็นทุกเวลานี้ทุกเวลามีมากเจ็บนั่นปวดนี่เวลานั้นความรู้สึกรักในร่างกายไม่มีแล้ว แล้เมื่อความรักในร่างกายมันมีกิตก็มีความรู้สึกว่านิพายบรรแดนมีความสุขอย่างน้อยจิตต้องการานิพานแค่นี้ก็เปารียรฐานในเมื่อเปอารียญฐานวันนั้นก็นิพานวันนั้นถ้า น, นิพานแล้วก็จบกันเวลาัหมดแ ล, ลนะ้วน่ะอันนี้ก็เสียงแห้งเต็มทีตอนนี้ไปเขาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานมันกรฐ า, าน